อะไราะรมันเป็นการต่างกันนรบข้ขาดตาไปหมดการท้าเปลี่ยนต่างเปลี่ยนไปทางการรบรงเกิดความมั่นคงวางยังไงมันกระทบการวางยังไงไม่กรบท้าไม่ติดรังใดก็ไม่กระทบมันไม่ได้งเกไม่ไพิราวาติดกันหมพอไปถูกเปรี้ยงเพราะมันด้วยกัน การกนดพิจารณาดานความรับผบอพิจารณาเขาก็ไม่มีอะไรเรการงานที่ใหญ่เป็นความถูกต้ อ, องดีงามในโลกนี้คงไม่มีการงานอะไรยิ่งกว่าการงานของผู้เกียวต่อตอนเกีย่ยวกับคนจากถูกงานนี้เป็นงานเยี่ยม มันฝืนใจมนุษย์ที่มีเพลศเพราะเพลพาให้ฝืนไม่อยากทํหรือมันยากของลำบากมีน้ำร้มมนนนาน้งซ้ำศาสนาคืบล่าศานาอีกตัวคืบล่าแต่มา ย, ยี่ยงกสัตว์น์ไม่คิดไม่คำนึงนุษย์เราจงโงงกันอะไรท่านใช้ความิบัติตามพระพุทธเจ้าจริง ไปได้ไม่สุดชีกก็ต้องไปได้ตามภูมิทุกตัวมีความสบายมีความเย็นดุเยืนใจหาความสุขเพีแท่ จ, จริงหาที่อื่นนอกจากหาที่ใจหาที่ปฏิบัติเพื่อถัดที่เหลืซึ่งเป็นตัวภยัยตัวทุกตัวให้เกิดทุกข์อกแล้วไม่มีทางหาอันนั้นเป็นการเพิ่ม นี่มันเป็นการถอดันถอนไิเลยเป็นหลักเป็นหลักมันก็ทำเพื่อเราเหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ทุกฟันต้นไม้บางต้นมันก็แข่มันแข็งบางต้นมันก็ไม่แข็งถอนต้นไม้ไมันยากบางต้นมังต้นรากมันลึกบางต้นมันก็ตื้ น, มนไม่ลึกถอนง่าย พอจะถอนมันออกกันเอโอเคเลยตัวมันลึกมันตื้นก็ถอนแรงออนน้ำหนักมันดิตัวมันแขนนละมันแข็งละฟันมันมันไปก็สุดฟันแบบเดียวกันกับฟันต้นกล้วยไปฟันต้นกล้วยมันเป็นอย่างไ้ฟันไม้เนื้อแข็งมันก็เป็นอย่างเี้ฟันไม้กลัวไปกับต้นกล้วยมันยังปิดกันนีฟันไม้เนื้อนแข็งจะมีทับนี้ได้แต่มันจะขาด ตายทั้งหมดที่เหลือบางประเภทมันเหนียวแน่นบางประเภทก็มาเหนียวนัดการทํามุมเพี ย, บบเยนเร า, ญญาจะทําแบบเดียวกันไม่ได้การใช้สติปัญญาก็เหมือนกันเราจะทใช้แบบเดียวกันไม่ได้มันต้องมีแง่หลักเปล่าไปตามนะเรื่องของ ท, ที่เหลือที่มีความเหนียวแน่นต่างกันแล้วผลของมันเจะทําได้หรอ ที่เหลือก็หลุดลอยไปตาม อ, อำนาจความเปลี่ยนทห้งหลาความสุขนั้นก็โผล่ตัวขึ้นมาซึ่งเป็นตัวผลสาคัญยิ่ง ข, นงขน hmm. ันไม่มีใครเป็นคนนับคนไดาเราเองเป็นคนได้มีความสุขความสบายเพร า, ม า, ามไม่มีอะไรเป็นเครื่องขอกวนบรรดาที่หลุี่หลุดลอยไปแล้วก็ความเปลี่ยนน hmm. กลับมารบกวนนั่นก็เป็นความสบายที่เราไม่สบายไม่ใช่อะไรนะี่จะเรื่องที่เหลือรบกวนมันนะายาเข้าใจว่าเป็นเองนะ มันจะเข้าใจอะไรไม่สบายเพรอะไรเพ่งท่าแันไม่สบายจิตไม่ยุ่งมันก็เป็นก็รู้ไม่กังวลไม่วุ่นวายถ้าจิตมีเรี่ยวรี่ด้วยแล้วยุ่งทั้งสองเป็นโรคจิตขึ้นมาอีกโรคหนึ่งโรกวุ่นวายโรคเดือดร้อนเองเป็นผู้ทดสอบใครควรเรื่องเหตุเรผลเน้วความเพียรมันพอบึกพอบืน พระพุทธเจ้าเป็นคนคนหนึ่งเราเป็นคนคนหนึ่งไม่มีอะไรเกินเราในขันห้าบรรดาขันท่าท่านก็สอนเพื่อเราอีกนี่ทำไมเราจะไม่สามารถทถ่านชาใ จ, จะใพ้นจากภัยที่กำลังก่อควนคุกคามในจิตเสมอภัยในจิตใจมากน้อยเป็นอยู่ตลอดเวลา จะให้สิ่งนีออกมันก็เป็นต้นเพลความภาคเปียนลงไประทีปัญญาก็ัะมีตั้งเสมอความเพียงการเขลียนแข็งมันีทิพยติมีือหมายปลายทางมีรันเสร็จบันสิ้นได้งานของทรเนี่ยของวิสิตามพระมัจรียง เ, รเศรษฐกิจในพระศาสนาพระศาสนาคือถอดถอนกิเล็ะมันไม่ใช่ยิ่ง เศรษิจในการถอดถอนกิเลสเพราะกิเลสมันซึ่งไปหมดแล้วด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญนะแนววิธีตัางปารณียัการตั้งการอย่างจิตที่ควรทํา็คือการถอดถอนกิเลสและการมันเป็นวิติปัญญาให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะก็ได้ทำเสร็จแล้วนะกระตังกระตั้งการณังนะัป ร, รังเศ ร, รายาติประชาณติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มี อื่นที่จะทให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีจะถ อ, ถอนยืนเด็กตัวอะไรอีกก็ไม่มีจะส่งเสริมสติปัญญาเพื่ออะไอีกก็ไม่มีเนี่ยรู้ชัดเห็นจริงทุกอย่างแล้วมุตตมีมุตตมีตีนงานางานโหดอีเนี่ยก็บอกเมื่อจิูปพ้นแล้วงานความรู้แจ้งชาปกิต คุดนแล้วย่อมปรากฏขึ้นในขนาดนั้นไหนไม่ต้องกรหามาจากใครให้มันบอกมาชีิอย่างไงฉันพ้นแล้วยังผมพ้นแล้อย่างไม่ยังเปิดปัญหาที่จิตโคลมอยู่กับทุกคนทําให้มันถึงจิตถึงแดนตามหลักทำที่คุณสอนเรือองกหมดทั้งหลักเกีว่วหลักปลอยเผาไฟพุทธประปธรมให้มันแหลกหมดจะไม่มีเลย จะ อ, อะไรมาขวนมันมีกิเลสขวนใจมันก็แสนสบายนี่ที่เราไม่สบายภายในจิตใจมากน้อยเพราะเรื่องกิเลสขวนทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าอะไรมาขวนนะเรายังไม่เห็นภัยของกิเลสที่ขวนหัวใจเราอยู่แล้วเราจะไปเห็นภัยอะไรจากที่ไห น, ม, นมันมืดมันบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่เห็นความทุกข์ยังไม่เห็นนรกทั้งเป็นของดูบนหัวใจเรางั้นเราจะ ไป็นข อ, ของดีของดีที่ไหนทามาเห็นไปในโลกถอดถ อ, อไนไปในโลกดับไปใโลกด้วยตปธรรมมันหมอดมีวายไลยชไหดับไปหมดเลยนะเราจะหาคนสูง ม, มาถอดอิไหาสิ่งเหนี้ดับไปท่านั้นแล้วมันก็สบายดีเลยไม่มีอะไ ร, วร<ม>กวนกดีตอนาคตมันก็หมดลงไปันในปัจจุบันรู้เท่ายู่เช่เนี่ย มันก็มายึดซิเดือนอนาคตก็ปล่อ ย, ยไม่ได้มีอะไรถือมีธุนหมายปลายทางความเสี่ยนตรงนี้ที่เสร็จที่สิน้นแต่งานทางโลกไม่มีสิน้ทนทําตั้งแต่มันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดโลกไหนก็เหมือนกันตรงนี้ทำอยู่นั่นงานทางโลกงานทางธํามันมีที่สุดที่สิน้นถ้าทําด้วยความตั้งใจ โลกนี่ถึงจะตั้งใจขนาดไหนก็ไม่เสร็จงานของโลกแต่งานของธรรมนี่เสร็จสึ่งไปได้ลงถึงจุดที่ตั้งธรรมาใจออยังได้มันเหนือโลกมันโลกก็หมายถึงกิเลสสมมุติทั้งหลายเหนือโลกไปเกาะไปเกี่ยวที่สมมุติทั้งหลายนั่นก็มาทับในใจเรามันหนือก็คือว่าถอนเอาหมด นิจินเหนือสินั้นเทวันเหนือกันเหนือสมมุติว่ามันไป้วเนื้อเนื้แไอไตมก็มีตามนั้นตังกินอยู่นั้นแหละคุณยังไงมันก็สบายเห็สบายเป็นอันตการไม่มีการไม่มีแล้วเมื่อเรียกว่าอนันตการไม่มีการอี่นใดและมีระหว่าเป็นอาการนิโกปัดปฏิเสธการมีนามานที่ ไปกับาตันจังอะไร ก, กับาขันธ์อีกจไม่มีมหมดความหลังยุดไม่บกพร่องแล้วจะหวังอะไรเามาอะไรมาซ่อมหยุดสมบูรณ์เต็มที่แล้วมไม่บกกล่องไม่อยากไม่หิวไม่ห่วยอารมณต่างๆนั้นนะเคยเห็ับหยุดันทีเคยกำลัดับซอมสบายอ ทุกขสาณะกำลังสุขขังต้องทุกข์สะก่อนนะจึได้สุข <S <S เป็นที่พอใจที่มากรเราสุขสกัก่นนอนเปนทุกขษาณะกำลังสุขังเอาสุขก่อนต่อไปก็เป็นทุกข์ทำให้รู้ว่าจะลำบากลำบนยิเหยียดทิางทำรวมหนักลาบากเอความสุขอยู่เฉยเลยรับความสุ ข, ข์ความอุบานว์ล แล้วผลทิมลลก็จะรับข้างหน้าเพรมีแต่ความทุกข์เนี่ยอันสุภาษารันพลังทุกข์ขังเมื่ก่อนท่านออกกระทู้แล้วก็แกก็ บ, บ้าแล้นไม่ค่อยพอใจอะไรนักห น, นะการปฏิบัติมันเข้าใจเอง